วันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันลงอุโบสถแต่วันพระเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นสิห้าค่เดือนสี่แต่ตามไม่จริงขึ้น15บห้าคเดือนสี่แต่วันนี้เป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือนสแต่ปักตกวันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถสวด พระปฏิโมกพึ้งจบลงในวันพระปฏิโมกเช่นนี้ท่านครูบาอาจารย์ท่านจะให้พูดเกี่ยวกับวินยัยเพราะว่าพวกเราได้ลงอุโบสถผ่านไปก็จะต้องปรรบเกี่ยวกับวินยัยเรื่องวินัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่ง ที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าหาว่าไม่มีวินัยคุ้มครองเหมือนกับประเทศชาติไม่มีกฎหมาย ค, คุ้มครองนั่นแหละจะหาความเป็นระเบียบหรือหาความร่มเย็นผาสุขไม่ได้ถ้ายิ่งเป็นทางโลกถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองหรือว่ากฎหมายอ่อนแอหรือไม่มีกฎหมายเสียเลยผู้ที่มีกำลังมากก็จะ หลังแกผู้มีกำลังน้อยเพราะนั้นเรื่องกฎหมายบันเมืองก็มีความจำเป็นอย่างพระวินัยของเราก็เช่นเดียวกันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติคือพระสงฆ์เป็นผู้มีศีลให้ดำรงศีลศีราจารวัตให้เป็นผู้มีศีล ก็คืออยากจะให้พระสงฆ์ทั้งหลายมีความพร้อมเพียงสมัครีอย่าว่าสังฆ์โสภนาความพร้อมเพียงของสงฆ์ให้เกิดสุขแต่ถ้าหากว่าไม่มีวินัยคุ้มครองต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างออกไปแนวความคิดต่างๆความพร้อมเพียงสมัครีกันก็จะไม่เกิดเพราะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งจำเป็นสาคัญ สำหรับพวกเราให้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสู้ใหม่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติวิไนปล่อยให้พระสงฆ์ต่างองค์ต่างอยู่เพราะว่าพระสงฆ์ในยุคแรกล้วนแล้วจะเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ได้ก่อคดีเรื่องราวต่างๆให้พระพุทธองค์ ให้พระพุทธเจ้าหนักพระไทยหนักใจเพราะต่างองค์บวเข้ามาแล้วก็เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นจำนวนมากพอพระสงฆ์เข้ามามากพระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้ามาผู้ที่ตั้งใจก็มีผู้ที่ไม่ตั้งใจก็มีฮ <c oughs> ก็เลยมันมันก็เลยทาให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น โลกาวัชชะตำนิทิเตียนก็เกิดขึ้นธรรมวัชชะการ ก, รการกระทําที่ไม่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสก็มีขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงบัญญัติวิไยแต่สาเหตุแห่งการบัญญัติวิยัยในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัตินั้นก็มีพระสงฆ์รัตนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายครั้ง มีครั้งหนึ่งก็ที่เมืองเนลันสราที่พระพุทธองค์ไปจามรรษาที่ว่าข้าวยากหมากแพงข้าวนั่นก็คนมีคนนอกศาสนามรณะภาพลงสานุศริรษฐ์ทั้งหลายแตแกแยกสามัคคีกันอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินยัยน้องชายพระสริบุตร ทน่นก็ไปก ร, ราบราตนาพระพุทธองค์ขอให้ทรงบัญญัติวินัยแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่ายังไม่ยังไม่ถึงการแต่การบัญญัติวินไนถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างรพระพุทธเจ้ากัสสปะก่อนรพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นในโลกท่านอายุยืนสองหมืนปีท่านไม่ได้บัญญัติวินัย เพราะว่าพินในอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระสงฆ์ก็เป็นที่รู้กันทันี้องค์สุดท้ายที่มาบวชจ่เป็นพระอรหันต์อีกท่านก็ยือยืนอีกสองหมืนปีอีกเพราะนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องบัญญัติพินัยท่านวางศาสนาไว้เพียงองค์สุดท้ายก็เพียงพอ แต่นี้พระพรุทธเจ้าของเราอายุ80ดิปีเป็นอายุไขเพราะฉนั้นท้าวว่าไม่บัญญัติวินยัยพระที่บวชองค์สุดท้ายของท่านท่านก็อายุ80ปีอีกก็เป็นนั้นว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่นานถึง200กว่าปีไม่ถึง200ปีพระพุทธศาสนาก็หมดเพราฉะนั้นพระพองค์จึงบัญญัติวินัยให้เป็นหมวดหมู่ เมื่อการกระทำความผิดขึ้นมาพระพุทธองค์ก็บัญญัติวินัยซิก ข, ขาบทแรกกับท่านสุทินนะอันนี้ก็คือพระวินัยข้อ1จากนั้นก็ข้อที่2อข้อที่3บัญญัติเรื่อยๆจากนั้นองค์ไหนกระทำผิดทุกกฏบังทุกกฏนะบ่อยที่สุดการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่ควรตลอด การอยู่การฉัน้นการคลองผ้าอย่างพวกเราเห็นเสขียวัตรที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรว่องเสขียวัตรอันนี้กัตนแล้วจะเป็นกิริยามระยาดการอยู่ร่วมกันการไปมาหาสู่กันการคบค้าสมาคมในพุทธ บ, บริษัท4พระสงฆ์ควรจะทําตัวอย่างไรกับครวัตควรจะทําตัวอย่างไรกับต่อหมู่พระสงฆ์ด้วยกัน แล ก, การประพฤติปฏิบัติกิริยามรยาในการเป็นอยู่สำรวมการไปการมาทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เกี่ยวกับวินยัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาในวินัยให้ดีแล้วพระวินัยเนี่ยผู้รักษาหรือผู้ปฏิบัติตามแล้วจะสวยงามพูดแบบปลดวบรัด กิริยามนุษย์จะสวยงามจะไม่เป็นที่ตําหนิของชาวโลกตะวันโลกาวัชชะแต่ที่พระออกนอกรูนอกทางแสดงออกอกับกิริยาที่ไม่อยู่ในหลักธรรมวินยัยนั่นแหล ะ, ะทั้งฝ่ายพระสงฆ์เราเห็นก็ไม่น่าเลื่อมใสแต่คารวะเห็นเขาก็ไม่น่าเลื่อมใสเช่นเดียวกันเพราะนั้นเกี่ยวกับวินัย กฎเกณฑ์สำหรับบัญญัติให้พระสงฆ์รักษานี้ถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วมีต้นตอมีความเป็นมาทุกซิกขาบทไม่ได้ตั้งพวินัยขึ้นมาหรือว่าตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาไม่ไม่มีผูก้กระทำผิดนั้นไม่มีมีพระสงฆ์กระทำผิดพระสงฆ์โดยการตำหนิตลอดถึงญาติโยมตำหนิ พระสงฆ์ก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์เมื่อประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติวินัยเพราะนั้นท่านสุภัททะที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระมหากัส ป, ปะที่บวชภายแก่ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานพระมหากัส ป, ปะได้นําพระสงฆ์เข้ามาเพื่อเคารพสักการะถวายพระเพิงพระพุทธเจ้าพอถวายพระเพิงจบแล้ว ท่านท่านสุปัตตะที่บวชภายแก่ได้พูดขึ้นในในท่ามในท่ากลางสงว่าสพระพุทธเจ้าตายไปแล้วปรินิพานไปแล้วดีแล้วเมื่อพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่ท่านห้ามอย่าทําอย่างนั้นอย่าห้ามอย่าทำอย่างนี้บัญญัติวินัยข้อนั้นสิกขาบทนั้นซิกขาบทนี้น อ, นนอยู่เลยถ้าใครทําผิดก็บัญญัติวินัยแต่บัด น, นี้พระพุทธเจ้าท่านตายไปแล้วปรินิพานไปแล้ว พวกเราจะทำอะไรก็ทำได้ตามอำเภอใจทำได้ตามอัธยาใจไม่มีใครห้ามไม่มีใครตำหนไิไม่มีใครว่ากล่าวพวกเราจะทำอะไรก็ทำได้พวกเราพวกท่านทั้งหลายจะไปคิดถึงทำไมจะไปร้องโห่่งร้องไห้ทำไมท่านตายไปแล้วกว็ดีแล้วอันนี้แหละสาเหตุแห่งการที่พระมหาคัสปะท่านจะได้ไประชุมสง เพื่อหารือให้จัดวินัยทำวินัยให้เป็นหมวดหมู่ถ้าหากว่าไม่จัดให้เป็นหมวดหมู่ก็ปล่อยไว้กระจัดกระจายผู้ที่เข้ามาศึกษาก็ไม่รู้จะศึกษาอย่างไรผพไม่ได้จัดไว้ทีนี้ท่านพระมหากจรปะยกประเด็นนี้ละเป็นหลักขณะที่พระพุทธองค์ปรินิพานยังไม่นมนานไม่นานใช่เลยพระสงฆ์ยังกล้ากล่าวช่วงจับยงน้ขน แต่ถ้าว่ามีพระสงฆ์พูดอย่างนี้มากๆพระพุทธศาสนาคงไม่ถึงห0 0 0ันปีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เพราะนั้นท่านจึงรวบรวมพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไประชุมหารือกันที่ได้รับเอตคะต่างกัน แต่ทราบว่าภาษาริบุตกับพระโมคคราณนะท่านปรินิพานไปก่อนแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระท่านสาวกบางองค์ก็ท่านได้ไปก่อนไปก่อนเสด็จนิพานไปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานแต่ยังเหลือพระอระหันสาวกยังมากอยู่ท่านพระมหาคด ป, ปะที่เป็นประธานก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดห้ารูป ไปประชุมกันที่กรุงราชคฤห์ในถ้ำสัตบัญญรตคกูหาก่อนเข้าพรรษาเพราะนั้นจึงมีวินัยจัดให้หมวดหมู่แต่ว่าก่อนที่จะบัญญัติวินัยหรือว่าก่อนที่จะประชุมกันพระสงฆ์พระมหากัจจปามพระสงฆ์ที่ประชุมทั้ง500องค์ ว่าเราจะประชุมเรื่องอะไรเพราะพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น 84% ดหมพันพระธรรมมขันเราจะยกประเด็นไหนขึ้นมาก่อนเราจะยกประเด็นเด่นไหนเรื่องอะไรขึ้นมาปรึกษาหรือมาประชุมกันให้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราจะเอามุมไหนอย่างไรพระมหาคส ป, ปะท่านก็ได้ประกาศถามพระสงฆ์ พระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้รับรู้รับทราบเฉพาะพระพักตพระพุทธองค์พระสงฆ์ทั้งหลายกระกรับเรียนขึ้นมาว่าเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่พระพุทธองค์เคยตรัสว่าถ้าหากว่าธรรมวินัยยังมีอยู่ตราบใดถ้าว่าวินัยพระสงฆ์ยังรักษาวินยัยรักษาศีลรักษาวินยัยตราบใดยังอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเพราะนั้นสมควรอย่างยิ่งคณะสงฆ์ที่ประชุมในวันนี้จะ ต, ต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับวินัยก่อนคือกฎระเบียบเพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นพร้องต่องกันก็เลยลงมติกันบัญญัติจะหารือกันเรื่องวินัยก่อนทีนี้พระพุทธพระมหากรตปะท่านก็ถามว่าที่พระพุทธองค์ ยกย่องในพระสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ชํานาญเกี่ยวกับวินัยคล้ายๆว่าเป็นผู้เก่งทางกฎหมายอย่างนั้นแหละในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยพระพุทธองค์ก็ว่าองค์ไหนเป็นผู้เก่งที่พระพุทธองค์ได้รับได้ยกย่องในพระพระพุทธองค์ได้ยกย่องว่าที่ได้รับเอธัตคะเกี่ยวกับวินัย ท่านก็ได้ยกท่านอุบาลีขึ้นมาท่านอุบาลีในะท่านเกิงทางวินยัยพระสงฆ์ก็ได้ลงมติกันว่าให้ท่านอุบาลีเป็นผู้ชี้แจงวินยัยจากนั้นพันพระมหากัจจปะท่านเป็นประธานสงฆ์ท่านจะเป็นผู้ชักถาม แต่ว่าพร้อมพระสงฆ์ก็พร้อมที่จะซักถามได้ถ้ามีความข้องใจอย่างไรตแต่ท่านก็ซักถามเกี่ยวกับวินัยวสิกขาบทที่หนึ่งเนี่ยใครเป็นพจน์เป็นผู้กระทําความผิดการทําผิดอยู่ที่ไหนเรื่องอะไรกระถามท่านอุบาลีท่านอุบาลีก็อธิบายกลับประธานส่งจากนั้นก็ท่านอธิบายวสิกขาบทนี้ พ, พระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยตรงนั้นท่านผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิด บัญญัติแล้วอนุบัญญัติที่พวกกระทารายย่อยแต่เข้าข่ายจะเป็นอบัติซึขบทที่หนึ่งมีไหมท่านก็ได้ชี้แจงเป็นข้อๆลงมาเกี่ยวกับอาบัตปิปาราชิกข้อที่หนึ่งจากนั้นเกิดสังขาที่เศษที่เกี่ยวเนื่องกันทุนละใจที่เกียเกเก่ยวเนื่องกันปาจิตตีกกที่เกี่ยวเนื่องกันทุกกฎที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยมากจะเป็นทุกกฎจะมากกว่าถุนละใจห่างๆจากนั้นก็ถามสีขบทที่สองที่สามไล่ไปเรื่อยพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งฟังก็เป็นผู้จดจำจัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้ให้พวกนี้ให้ท่านเหล่านี้ให้จดจาเกี่ยวกับวินยัยพอจบแล้วท่านก็ถามว่าจบแล้ววินยัยทั้งหมดจากนั้นก็พูดเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรทีนี ถ้าจะว่าไปแล้วการที่จะบัญญัติวินัยพอดีพระธรรมวิในัยในยุคสมัยต้นไม่ใช่ของทำได้ง่ายๆเหมือนกันไม่เหมือนยุคสมัยทุกวันนี้เพราะมีการจดบันทึกบัง่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอย่างมีเทปมีซีดองซีดีอะไรอัดไว้แต่สมัยนั้นกระย่างว่านะ่ เราเกิดกเราไม่เกิดทุตเราเกิดไม่ทันในยุคสมัยนั้นท่านอาจจะมีอยู่ก็ได้แต่ทําก็ไม่ได้พูดเอี่ยคิดว่าพวกเราเราคิดว่าไม่มีแต่เนีกับพระสง์ก็เป็นคนจําจับเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับวินยัยเกี่ยวกับธรรมวินยัยส่วนพระธรรมนั้นให้ท่านพระสูตรกับพระธระรมนั้นให้พ ร, พระอานุ์เป็นผู้ แหลงเป็นผู้เฉลยท่านพระมหากัปาที่เป็นประธานสงฆ์เป็นผู้ชักถามพระสงฆ์ทลายก็เป็นผู้ฟังนี่แหละที่ให้เรียนให้ทราบทั้งพวกเราทราบนี่ก็เพราะว่าเกี่ยวกับวินัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญพระสงฆ์ท่านบธรรและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น ้างว่าพระสงฆ์ไม่มีนุ่งกางเกงหมดไม่ไม่โป่งผมเป็นคนธรรมดาพุทธศาสนาก็ไม่มีความหมายการต่างคนก็ต่างอยู่ในใจของใครของเราเรื่องที่จะแต่งเป็นชุดเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยหมดไปแล้วเพราะนั้นถ้าหมดชุ ด, ชดนั้นไปก็แปลว่าร่อยหลอไปเรื่อยๆและวช่ไหมก็มีอยู่ในใจของใครของเรา แต่ถ้งว่าพระสงฆ์ยังดำรงทรงวนินัยอยู่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังไปนานเท่านานทีเดียวเพราะนั้นเรื่องวินัยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องในศึกษาจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเรื่องเกี่ยวกับวินัยจะต้องให้ทําให้เคร่งครัดถ้ารู้แล้วขืนทําลงไปไม่ได้อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัตหกอย่าง ขาดสงสัยแล้วจะขืนทำลงไปก็ยังเป็นอาบัติรวมสิ่งนี้ไม่เป็นอาบัติสิ่งนี้ไม่เป็นอาบัติมีทั้งหข้อเพราะนั้นพวกเราควรจะศึกษาจะมองข้ามไม่ได้ว่างๆเกี่ยวกับศีลของตนเองต้องตรวจตราอยู่เสมอต้องศึกษาให้เข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับพินยัยแต่เด็กครูบาอาจารย์ของเราโดยมากก็ไม่ใครได้สอนกันเพราะพินัยเป็น กฎตายตัวเป็นเรื่องหยาบอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะลสลับซับซ้อนต่างคนก็ต่างศึกษาต่างคนก็ต่างอ่านให้เขาอกเข้าใจก่อนต้องเป็นที่เพียงพอถ้าว่ามีความขล่องใจสงสัยตรงไหนก็ไปชักถามท่านผู้รู้ท่านที่ได้เรียนมาก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนเกี่ยวกับวินยัยตีความหมายว่ายังไงเพราะนั้นเรื่องวินยัย ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองจะต้องได้รักษาอย่างน้อยก็ให้ครบหรือว่าเกือบครบตามไม่จริงมันครบทุกข้อนั่นแนหะ เ, เพราะนั้นบางเสิ่งบางอย่างกดวินัยบางข้อบางเรื่องก็ต้องได้พูดกันแต่บางเรื่องก็โดยมากกบพวกเราได้ศึกษาปฏิบัติตามแนวแถวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพุทธปฏิบัติมาก็เป็นที่คล้ายๆว่าเป็นอัตโนมัติแล้วว่าเป็นนิสัยเป็นเรื่องเรามาแล้วตามที่ท่านพาประพุทธปฏิบัติอันนี้ก็คือทําเป็นว่าเป็นอัตโนมัติเางั้นกันแต่ถ้าว่าใครทําผิดในกมู่พวกเพื่อนก็ทักทวงทวงติ้งขึ้นมา พวกเราก็ปฏิบัติในมืออยู่ร่วมกันเว้นเสียแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างตัวเองไม่รู้แล้วก็กระทำลงไปหรือบางองค์ก็ทำแบบขโมยทำหรือว่าแกล้งทาทั้งที่รู้รู้อยู่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นอย่าทำสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องแล้วขืนทำพระพุทธเจ้าพระทำคำถังสอนของพระพุทธเจ้าตำหนิมากท่านว่า อากตังลูกกตังเสยโยปัจฉาจปฏิทุกกตังความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะความความชั่วนั้นย่อมเผาผ่านทําให้ใจของ ต, ตนเองเกิดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นท่านเตือนไว้ข่าวว่าใครทําแล้วถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามตัวเองนั้นจะเดือดร้อนจะทําให้ใจไม่สบายเหมือนเราไปจับไฟในห้องอย่างนั้นนถึงใครไม่เห็นเห็นไม่เห็นมันร้อน เพราะมันเป็นไฟความชั่วของเหมือนกันใครจะเห็นหรือไม่เห็นตัวเองรู้อยู่ยังว่าความลับไม่มีในโลกเพราะเราเป็นคนคนหนึ่งกระทำลงไปเพราะนั้นความลับตัวเองรู้พราะนั้นว่าการกระทำเพราะนั้นพระพระพุทธเจ้าจังว่าความลับไม่มีในโลกถึงใครจะไม่เห็นตัวเองก็เห็นอยู่การกระทาของตัวเองเพราะนั้น ให้พวกเราท่านทั้งหลายสํารวมเกี่ยวกับวินยัยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าให้ศึกษาให้เข้าใจส่วนหลักธรรมสมาธิปัญญานั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์อบรมแนะนำสั่งสอนหลักแนวทางประพฤติปฏิบัติอันนั้นจะต้องได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิศีล ส, สมาธิ ศีลนี่นให้พวกเราศึกษาด้วยตนเองถ้ากองใจสงสัยถามครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิแนะแนวทางครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางสมาธิมีสคณิกะอุปจาระปัญ น, นาอันนี้ก็คือสมาธิก็ยังเป็นวงจำกัดอยู่ยังไม่กว้างขวางแต่ถ้าถึงวิปัสสนาปัญญาแล้วตัวนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ ชีแนะชีน้นำทางว่าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะชีน้นำเรื่องการจะพิจารณาทางวิปัสสนานี้ยดยมากมันจะเดินไม่ค่อยได้ตุปัตตุเปะว่างั้นเถอะต้องอาศัยแนวทางของครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้มาแล้วผ่านมาแล้วท่านจะเอาหลักนี้มาสอนพวกเราจากนั้นพวกเราก็เดินตามแถวแนวที่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านอุปโภมสั่งสอนแต่มันก็ไม่เปี้ยทีเดียวแต่ถึงยังไงกระทงเคราะห์เข้าหากันได้ในหลักพระธรรมเรื่องวิปัสสนาอย่างที่ผมได้เรียนให้พวกเราได้ทราบนะนะการภาวนาและการปฏิบัติบางองค์ก็สมัยในครั้ง พ, พระปุริจาวภาษาวกท่านก็แนะนําสั่งสอนขนาดพระสาวกที่ท่านได้ตัดสู้รมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังแนะนํา หมู่พวกเพื่อนยังขาดตกบกพร่องไม่สามารถที่จะแนะนําสั่งสอนได้เหมือนพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจา้าท่านมองทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตมองทั้งอุปนิสัยผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมีอุปนิสัยเก่าแก่มาอย่างไรในอดีตชาติเป็นมาอย่างไรพระรองค์ได้บัญญัติหรือว่าได้อบรมแนะนําสั่งสอนท่านองค์นั้นอันนั้นแต่ว่าเป็นพุทธวิสัย เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะอบรมสั่งสอนแต่นี้พวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วมีแต่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําอบรมสั่งสอนพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ น, นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำทำของคำสั่งสอนของพพำำ ค, ำคงอองรูบาอาจารย์ออกมาประพฤติปฏิบัติทดลองดูเหมือนกับเราทดลองกินยาแก้หวัดอย่างนั้นนะยาแก้หวัดมีหลายขนาด ขนาดหนึ่งกินยังไงขนาดหนึ่งกินยังไงแต่ว่ามันเคยชินมันกับยาแล้วมันไม่ได้ผลเอาเปลี่ยนใหม่เราก็ต้องเป็นผู้สังเกตแต่ว่าเกียวการเปลี่ยนใหม่นะัเราจะเป็นผู้จับ จ, บจดเปลี่ยนอยู่บ่อยๆมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจวันนี้ขี้เกียจภาวนาไม่ทันไปเปลี่ยนใหม่ไม่ได้แสดงว่ า, ามันไม่ถูกแต่เราต้องสังเกตเราด้วยว่าเราทําเต็มที่แล้วพิจารณาอย่างเต็มที่แล้ว ตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแต่ผลที่ออกมานั้นทําให้จิตใจของเราไม่สบายทําให้จิตใจของเรามันยังพิษ เ, เป็นที่ตําหนิในตัวเองได้อยู่เหมือนกับเราทานยาไม่ถูกอย่างนั้นแหละเหมือนกับทานยาไม่ถูกกับโรคอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐ า, านที่ไม่ถูกกับจริตก็ลักษณะอย่างนั้น แต่เราจะเป็นผู้พิจารณาด้วยตนเองแต่เราจะไปจับจดการพิจารณาหรือ บ, บริกรมกรมกรรมฐานเพราะนั้นให้พวกเราให้ตังอกตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าส่วนพระใหม่นั้นก็วันพุ่งนี้ก็จะได้เตรียมราศิขาบทเพราะนั้นการมาอยู่ที่พวกพระนักศึกษาแพทย์ ที่มาอยู่ที่นี่อย่างผมเคยพูดนะผมไม่ได้หนักใจไม่มีอะไรแต่พวกท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจดีมากกบ ก, บกดเคารพกฎระเบียบวินัยของครูบาอาจารย์ของพระปา่าที่ผมเห็นนะแต่รับหลังนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้แต่พวกท่านทำยังไงพวกท่านคงจะรู้โดยตนเองว่าทำอะไรลงไปเหมาะสมไม่เหมาะสมถูกต้องไม่ถูกต้อง แต่อยู่ต่อหน้าของผมอยู่ใกล้ของผมน่ยหรือว่าหมู่พวกเพื่อนได้เห็นเน้นก็อยู่ในกรอบของหลักธรรมวิไไนัยหน้านับถือหน้าเรื่มใสก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ผมหนักอกหนักใจแต่นี่กับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นถึงจะเป็นวันลาสิกขาไปแล้วขอให้พวกเราท่านทางหลายมาอยู่ที่นี่ก็มาเพื่อศึกษาไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่น พระธรรมในพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเลิดประเสริฐอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้นำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตัวเองผมเองถึงจะอบรมทั้งเช้าเย็นผมก็ไม่เคยมีแต่ก่อนมีแต่พูดแต่ตอนเชา้าแล้วก็วันพระแต่มาครั้งนี้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาผมก็เห็นว่ามีเวลาน้อย ได้อบรมทั้งตอนเย็นด้วยทั้งตอนเช้าด้วยตอนเช้ากว่านิดหน่อยเพราะมีเวลาจำกัดแต่ตอนเย็นก็ได้อบรมสําหรับให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิเป็นเบื้องตน้นแต่พวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่จะออกไปหรือมาเห็นสถานที่แห่งนี้ตรงไหนที่มัน ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ดีไม่งามอะคงจะมีผมคิดว่านะแต่ถึงยังไงทุกแห่งทุกหนมันก็ต้องมีอย่างนี้อย่าให้มันเรียบร้อยได้อย่างใจของเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ไม่รู้ว่าสํานักงานไหนไหนก็ต้องมีที่ตําหนิเป็นของธรรมดาแต่พวกเราให้เอาแต่สิ่งที่ดีไปสิ่งที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้นี่ เหมือนกับมแมลงผู่มแมลงผึ่งที่ผมเคยพูดให้พวกท่านทั้งหลายฟังไปเอาเกรสรดอกไม้ต้นไม้เขาออาแต่น้ําหอมเอาแต่น้ําหวานของต้นไม้ไปเพื่อไปเรียงลวงรังของตนเองเอนี่พวกเรามาศึกษาก็เช่นเดียวกันท้สิ่งไหนที่มันดีเราก็นําสิ่งที่ มันดีเอาไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ทิ้งไม่นี้แต่ถ้าไม่ดีสักอย่างแปลว่าพวกเรามาคราวนี้ขาดทุนย่อยยับปนปีว่างั้นเถอะไม่ได้อะไรติดมือไปเลยเ อ, อ, อย่างน้อยก็ได้ศึกษาพระเขาอยู่อย่างนี้กลุ่มนี้เป็นอย่างนี้อย่างน้อยก็ได้ศึกษานะแต่ถ้าหากว่าพวกเราได้ความรู้ได้ความฉนาได้ศึกษาแนวทาง แต่หลวงพ่อคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องรู้แนวทางบางสิ่งบางอย่างในจะนำไปประพฤติธปฏิบัติสาหรับตัวเองถ้าพวกเรามีความตั้งใจสงสัยมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในหลักพระธรรมวินยัยเพราะในวัดของเรามีช่องทางที่จะได้ศึกษามีหลายอย่างถ้าจะศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็มีเทปถ้าจะศึกษาในพระไตรปิฎกก็มีห้องสมุดพร้อมที่จะค้นคว้า หาความรู้ความฉลาดได้หลายทางเว้นเสียแต่พวกเราไม่ได้สนใจใมาอยู่แล้วก็สักแต่ว่าบวชเฉยเฉยอันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ทางว่าเป็นผู้คน้นเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ใส่ตัวเองตรวงพ่อว่ามีช่องทางที่เยอะแยะไปสำหรับในวัดของเราที่จะหาความรู้ความฉลาดเข้าสู่ตัวเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ มันก็จะผ่านไปแล้วอีกวันพุ่งนี้แล้วก็จบกันที่พูดทางนี้ทางนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่จะหยุดที่จะจากไปต่อไปภายภาคหน้าบางคนก็ตําหนิอย่างครูบาอาจารย์ตําหนิวัดวาศาสนาตนําหนิเรื่องอะไรโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งไม่ชอบตําหนิตัวเองอันนี้มีต่างเยอะแยะพอหลวงพ่อเกิดมาหลายปีหลายเดือน ได้ยินผู้ที่กล่าวไปอยู่ที่นั่นกับตําหน่งอุบาจานทร์อง์นั้นองนี้นนด้วยมากไปตําหนิงตัวเองแต่ตามไม่จริงถ้าคนตําหนิงตัวเองแล้วมองตัวเองแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดมันดีทั้งนั้นแหละพอมองตนเองพราะเราก็ส่วนหนึ่งก็คงไม่ดีไม่ดีพอมันจึงมีเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปมองตัวคนอื่นเหมือนกับชี้นิ้ว ไปคนอื่นนั่นแหละหลวงปู่ฟัน่นท่านบอกว่าชี้นิ้วไปคนอื่นนั้นท่านไม่ดีแต่นิ้วที่มันชี้มาหาเราทั้งสามนิ้วทำางนั้นเราก็ยิ่งแย่กว่าท่านอีกสามเท่าอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดสำหรับพวกเราทุกคนนั่นแนะหละมาเดีวว่าองค์ใดท่านผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วพวกเราจะออกไปสู่คารวาสเป็นนักเรียนแพทย์ที่รังเยยนไม่จบก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ตั้งอกตั้งใจนะนแะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาในสอนให้อดทนเนะอิทธิบาทสี่อย่างนี่คุณเครื่องให้สำให้สเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันท่ วิริยะจิตตะวิมังสาอันนี้พวกเราเคยได้ยินจนเคยชินครูบาอาจารย์ทุกระดับท่านก็สอนแต่ถ้าว่านำมาประพฤติปฏิบัติใส่ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งอิทธิบาทของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้เพียงแค่นี้เราก็สำนึกสำเนียกได้แล้วพระพุทธเจ้าในฉลาดจริงๆที่จะฉันคฉันคา พูดอย่างนี้ออกมาพูดมากล่าวสอนพวกเราได้ฉันทะมีความพอใจวิริยะเพียรจิตตะเอาใจฝักไฝ่วิมังสาไตรตรองเหตุและผลแปลว่าครบบริบูรณ์อิธิบาท4เพราะนั้นพวกเราจะไปเป็นครวาด์กันเลยใช้หลักธรรมตอนนีนะ้ประจําจิตประจําใจของเราไว้อยู่เสมอ แต่พร้อมกันก็อย่าลืมนะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ทาจิตทําใจหนั่งสมาธิภาวนาจุดนี้จําเป็นสําคัญนะถึงจะไม่นั่งภาวนาก็ให้กําหนดใจอยู่เสมอถ้าว่ารู้จักทําใจตัวเองได้นะ่ะความร่มเย็นผาสุกจะเกิดขึ้นสําหรับเราและผู้เกี่ยวข้องแปลว่าผู้มีธรรมนะ่ะถ้ามารู้จักทําใจได้รู้จักวาง รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักคิดเหตุและผลทุกเรื่องทุกอย่างจะให้ได้อย่างใจเราเป็นไปไม่ได้แต่ใจของเรายังไม่ถูกใจเราเราจะใหท้ทุกคนได้ใจเราเป็นไปไม่ได้เราจะให้ถูกใจทุกคนก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นทางเราได้ศึกษาธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหะพวกเราจะ แยกแยก่ออกได้นะแล้วก็วันพุ่งนี้ก็ตอนเช้าสักตีห้นะผมจะลงมาแต่วพวกท่านทั้งหลายลงมาก่อนลงมาก็แสดงอบัตซะให้เรียบร้อยเอาผพาสังคาติลงมาด้วยลงมาครบชุดนะผ้าไตรครบชุดจากนั้นก็แสดงอบัตให้เรียบร้อยค่อยขึ้นมาศาลาแล้วกับพระผู้ใหญ่ขึ้นมานั่งเป็นสักีพยานด้วย จากนั้นจะได้ราวกาวลาสิกาทาตนให้เป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็รักษาศีล5นน้ัในกระจบเพียงแค่นั้นนะคว่าคงใช้เวลาประมาณสัก30บนาทีก็คงจะจบแล้วการลาสิขานะคงไม่มีอะไรมั่งแต่อากาศก็แปลกเหมือนกันนะตอนพวกเรามาก็เย็นเฉียบแต่พวกเราจะกลับไปก็เย็นเฉียบอีกวั น, นอากาศเย็นผิดปกติ ไม่ใช่เย็นมันหนาวเลยแล้วงั้นเถ็ะอะตอนนี้ไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะทำสวดท้ายปฏิโมกเสร็จแล้วก็คงจะจบ ก, กัน